ความรู้ในเรื่องกรรมของเราเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยความเข้าใจเนี่ยเปลี่ยน่าเมื่อความเข้าใจเปลี่ยนทั้งๆที่สูตรหรือคําสอนก่อเหมือนเดิมนั่นแหละบอกว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกนึกคิดเลยก็ก็แสดงว่าพระธรรมยังยงแฝกไม่ได้เลยนะเรียกว่าตัวยาหรือธรรมโอสถเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในเนื้อในเลือดอะไรสักอย่างเท่า ไ, ไหร่หรอกเฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนถูกต้องนั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน กายกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นวจีกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นมโนกรรมต้องเป็นกุศลมากขึ้นฮิริโอตตะปะจะต้องเกิดบ่อยขึ้นถ้าหากว่าหิริโอตตะปะไม่ค่อยเกิดแสดงว่าผิดพลาดแล้วล่ะบางคนเนี่ยคล้ายๆกับพระเนนสมัยบางองค์ยังไม่ทันบวชเนี่ยอ้า basket, อายชั่วกลัวบาปหน้าดูเลยพอบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ไอายชั่วกลัวบาปเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าการบวชนี่ผิดพลาดต้องมีที่ผิดพลาด จุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เหมือนเดิมมีไหมนอกจากนิจจาวิปปลาตอนั้นเองดูว่าเหมือนเดิมสภาพจิตของเราถ้าศึกษาพระธรรมคําำคำสอนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าอาจจะ ก, กินยาไม่ถูกโรคแล้วละหรือว่าต้องมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งความเข้าใจเราต้องบอกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโพชฌงเนี่ยเป็นอย่างไรโพชฌงก็หนึ่งสติสามโพชฌงสองธรรมวิจยะสามโพชฌงแล้วอะจะมีอะไรต่อพอมีธรรมวิจัยแล้วจะมีอะไรต่อวิริยะสามโพชฌงถ้ามีวิริยะสามโพชฌงแล้วอะไรจะเกิดอีกปีติอย่างในน้อยที่สุดนะศึกษาพระธรรมเนี่ยจะอิ่มใจขึ้นกับถ้าหากว่าปีติมไม่ค่อยเกิดเลยมันแห้งแล้ว เหมือนกับว่าแผ่นดินที่ฝนไม่เคยตกมาเลยนะเมื่อสิบ ป, ปีที่แล้วเหวือดแห้งยังไงปีนี้ก็เหือดแห้งเหมือนเดิม ท, ทั้งที่ฝนก็ตกบ่อยนะดูท่าเมฆก็ตั้งเขามาเรื่อยสแสดงว่าฝนอาจจะไม่ได้ตกแต่ว่าตั้งเขาเฉยๆศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาระยะนานขึ้นสภาพจิตเราไม่อ่อนโยนขึ้นเมตตาเราไม่เกิดมากขึ้นก็ะสะแสดงว่าผิดพลาด่ะฝนตั้งเขาเฉยๆการศึกษาพระธรรมก็ดูเหมือนกับฝนตั้งเขาแต่ไม่ถึงกับตก เพราะอย่างไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจชุ่มเย็นได้พระองคุลิมาเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยมีกรุณาเลยใช่ไหมตอนที่ฆ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพเนี่ยไม่มีกรุณาแม้แต่นิดเดียวแต่พอท่านบวชปั๊บท่านเดินไปบินทบาทครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมาเนี่ยครองอันตรวาสศกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถี กำลังเที่ยวบินธบาต์ตามลําดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักเศร้าหมองหนอคือเห็นแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเศร้ามองหนอเห็นแล้วกรุณามันเกิดเห็นแลยโอ้โยเห็นสภาพของคนท้องซึ่งคือปกติเนี่ยนะใครเห็นพระองค์ปริมาณเดินบินธบาต์จะกลัวงั้นผู้หญิงคนนี้ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้จะหนีไปยังไงอ่ะนะ โกรนทุรายทุลักทุเลเต็มทีอ่ะพอเห็นหุ้ยมันน่าสังเวชน่าสงสารจริงๆว่างั้นครั้งนั้นท่านพระองค์คุลิมาเที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินธบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาศเวลาเช้า ข้าพระ อ, องค์ครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพรนครสาวัตถีกาลังเที่ยวบินทบาทตามลําดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแกนหนะักครั้นแล้วได้มีความดั่งริว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองหนอ้อเห็นแล้วกรุณนาะมันเกิดขึ้นทั้งๆั้ที่เมื่อก่อนเนี่ยขนาดคนขอร้องขอชีวิตโอ๊ยลูกน้อยยังอยู่ที่บ้านปล่อยไปเถอะบอกไม่ได้ต้องฆ่าอย่างเดียว แต่มาครั้งนี้นี่เห็นขนท้องอุย้ยกรุณามันเกิดสงสารจับจิตจับใ จ, บ จ, บ จ, บ จ, บจขึ้นมาเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัตว์วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเิด พระ อ, องค์คุลิมานก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญก็อาการอย่างนั้นจักเป็นอันฆ่าพระ อ, องค์กล่าวเทศ ท, ทั้งที่รู้อยู่เป็นแน่บอกว่าตั้งแต่เกิดไม่เคยคิดฆ่า เ, า, เ า, เาเอาโกโหกแน่เหมอนอ้นองค่าร้อยเก้าสิบเก้าศพใช่ไหมเพราะฆ่าพระ อ, องค์แกล้งปลงสัตจากชีวิตเสียเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ตรัสว่าดูก่อนองค์คุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกะสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดถ้าใครเคยได้ยินพระสวดก็บอกว่ายะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนสัจเจนะโสติเตโหนตุโสธิขัภาษ ก็ว่าตั้งกระบวตมาเนี่ยไม่เคยคิดค่าเลยอ่ะไม่เคยคิดค่าด้วยสัจจาวาจานี้นะขอความสวัสดีจงมีแก่เธอด้วยเด็กในคันของเธอด้วยอั้นความสวัสดีก็ได้มีแก่หญิงความสวัสดีก็ได้มีแก่คันของหญิงแล้วอันก็เลยเป็นการกล่าวสัจจาวาจานี้เนี่ยช่วยในการคลอดลูกเป็นอย่างดีเขาบอกว่าผู้ที่คลอดลูกยากกันนะ ถ้าหากว่าให้ให้ผู้ที่กล่าววาจาเนี่ยนะสวดตามท่านแล้วก็ทําเป็นน้ำผ้าปริตอันนี้หรือว่าด้วยน้ําสัจจาวาจานีเนี่ยไปดื่มไปทานนะจะคลอดลูกง่ายแต่ที่รู้จักเนี่ยหลายคนเนี่ยจะคลอดลูกง่าย ก, บกาา็บอกว่าท่านว่าไงบอกว่าเขาท้องอาจจะคลอดแล้วขอน้ํผ้าปริศหน่อยนอนหลายเดือนผ่านไปแล้วก็ไปก็บอกอ้ยก็คลอดง่า ย, ยางั้นพานเด็กมาให้ดูแล้วโอ้โหเราเห็นแล้วเสียวเลยนะ ถ้าเกิดมาเจริญรอยคล้ายๆเราเนี่ยมันจะทุกข์อีกนานขนาดไหนวเนี่ยนึกถึงทุกข์เลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้กว่าจะเจริญเติบโตเนี่ยไปเจอทุกข์อะไรอีกนะแล้วก็อาศัยคาถานี้แหละอาศัยคําพูดบทนี้แหละท่านก็เป็นผู้ที่เจริญกรุณาพระ อ, องค์โคลิมานเนี่ยนะคือเวลาท่านเจริญกรรมฐานเจริญอะไรเนี่ยภาพนิมิตต่างๆเก่าๆนี่จะมาตลอดเลยซึ่งท่านอธิบายไว้ในอัตกถาก็บอกว่า มิใช่พระองค์ุลิมานี้เข้าไปครั้งแรกก็คำนี้ท่านกล่าวไมายเอาในวังที่เห็นหญิงพระองค์คุลิมานี้เข้าไปบิณฑบาตแม้ทุกวันเหมือนกันแต่พวกมนุษย์เห็นท่านแล้วก็ย่อมสะดุ้งบ้างย่อมหนีไปบ้างย่อมปิดประตูบ้างบางพวกพอได้ยินว่าองค์ุลิมานก็วิ่งเข้าป่าไปบ้างเข้าเรือนปิดประตูเสียบ้างไม่อาจหนีก็ยืนพินหลังให้บ้างถ้าหากว่ากลัวจริงๆกก็ไม่รู้จะหนีปนไปไหนก็หันหลังให้ พระเถระไม่ได้แม้ข้าวยาโูสักกระบวยหนึ่งว่ากันพัดแม้ทัพพีหนึ่งย่อมลำบากด้วยบินทบาทเมื่อไม่ได้ภายนอกก็เข้าไปยังพระนครด้วยคิดว่าเมืองทั่วไปแก่คนทุกคนว่ากันพอเข้าไปทางประตูนั้นก็มีเหตุให้เสียงตะโกนระเบิดออกมาเป็นพันๆเสียงว่าองค์กุริมานมาแล้วองค์กุริมานมาแล้ว่ น, วะนะเขาบอกว่าตอนหลังพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตให้โจรมีชื่อเสียงบวช ด, ด้วยนะ อาศัยเหตุนี้ก็บัญญัติไม่ให้โจรที่มีชื่อเสียงเนี่ยบวชมีปัญหามากเหมือนกันก็บอกว่าเมื่อองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนอยู่ถึงพันคนหย่อนหนึ่งหนึ่งพันขาดหนึ่งก็คือเก9าร้อยเก้าสิบเก้าก็ม่ได้มีความกรุณาสักคนเดียวแม้ในวันหนึ่งเพียงแต่เห็นหญิงมีคันหลงแล้วความกรุณาเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบว่าเกิดขึ้นได้ด้วยกาลังแห่งบรรปชา การบวชนี่เมื่อก่อนเป็นคนที่หยาบช้าพอบวชขึ้นมาปั๊บอาศัยการบวชนั้นก็ทําให้กรุณาเกิดมากขึ้นจริงอยู่ความการุณานั้นเป็นพลังแห่งบรรพชาเป็นพลังแห่งการบวชขณะนั้นยังไม่บรรลุก็บอกว่าการที่ทําสัจจะกิริยาแบบนี้เป็นเวชกรรมไหมเป็นอเนสนาไหมบอกไม่เป็นเวชกรรมและก็ไม่เป็นอเนสนา อันหนึ่งเมื่อพระเถระเรียนมูลกรรมฐานด้วยตั้งใจว่าจักกระทำสมณะธรรมแล้วก็ไปที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันจิตก็ไม่ดําเนินไปเฉพาะพระกรรมฐานใส่ใจกรรมฐานหมวดไหนใจก็ไม่น้อมไปเลยอ่ะคล้ายๆกับใครที่เคยเจริญเมตตานะคิดเมตตาใครสักคนก็คิดไม่ออกเรีย <c> ก <oughs> ว่าจิตไม่ดําเนินอ่ะมันแข็งทื่อไปอย่างนั้นอ่ะนะเหมือนกับลงเล่นกีฬาที่ไม่ได้วอร์มก่อนอ่ะอึดอัดยังไงบอกไม่ถูก ความคิดเราก็เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยในการพิจะรณาพระธรรมสักหมวดหนึ่งเนี่ยโอ้ยอยากเย็นแท้อนาย่อมปรากฏเฉพาะแต่ที่ที่ท่านยืนที่ดงแล้วฆ่าพวกมนุษย์เท่านั้นภาพเก่าๆเนี่มาตลอดเลยอาการแห่งถ้อยคำก็ดีความวิการแห่งมือและเท้าก็ดีของคนที่มีความกลัวตายว่าภาพที่ที่คนจะถูกฆ่าเนี่ยรากฏหมดเลยว่า ข้าพเจ้าเป็นขนเข็นใจข้าพเจ้ายังมีบุตรเล็กๆอยู่โปรดให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนายดังนี้ก็มาสู่คลองมโนทวาราวัชนะอันท่านจึงมีความเดือดร้อนต้องลุกไปเสียจากที่นั้นคือนั่งต่อปั๊บเนี่ยภาพที่ไปฆ่าใครไวน้น่ะนะคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่ามันก็จะโผล่มาเรื่อยๆทางความคิดอ่ะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะก็เหมือนกับพระพระภิกษุถ้าหากว่าบวชแล้วไม่ได้ศึกษาพระวินยนะัยเนี่ แต่แล้วตอนหลังมาศึกษาพระวินัยก็จะเป็นลักษณะ น, นี้เหมือนกันคือนั่งแล้วภาพเหตุการณ์เก่าๆนี่จะมาหมดเลยสมัยที่ยังไม่ได้ศึกษาพระวินัยไปล่วงละเมิดอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะโผล่มาเรื่อยต้องชําระทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างคนที่มีความผิดไปทําบาปทำอกุศลมาก็ลักษณะเดียวกันภาพเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรวิตกประเภทไหนวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะเรียกว่าพยาปาธาวิตกก็เกิดขึ้นนะแล้วขณะนั้นน่ะ มีเจตสิกอีกตัวหนึ่งเกิดร่วมด้วยเรียกว่ากุกุกจะเจตสิกกุกุกจะเจตสิกจะเข้ามาเลยคือมันจะเหือดแห้งมันจะมีความทุกข์ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะก็จะรำพันถึงบาปที่ตัวเองทําไปแล้วอ่ะไม่น่าทําอย่างนั้นเลยมาเงั้ยทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้กระทําสัตจจกิริยาโดยอริยชาติด้วยทรงเล็งเห็นว่าพระองค์คุลิมานั้นจะต้องกระทําชาตินั้นให้เป็นอัปโพหะริกซะก่อน ต้องทําเรื่องนั้นให้เป็นเหมือนกับไม่มีคืออาศัยชาติการบวชเข้ามาให้ลืมเหตุการ์เก่าๆให้หมดเท่ากันคือจิตมันวิตกไปเรื่อยใช่ไหมภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาแทรกดังั้นคนที่จะพิจารณาพระธรรมเหมือนกันต้องไม่มีอารมณ์เก่าๆแทรกด้วยอย่าว่าพิจารณาพระธรรมเลยนะของเราเนี่ยมันนั่งฟังธรรมก็ลองงานที่บ้านยังไม่เสร็จดูดิคิดถึงงานที่บ้านไปด้วยฟังธรรมไปด้วยนะเปอร์เซ็นต์เข้าใจมากมีไหมโอ้ยากนะ ทีคิดไปเองมันจะวางแผนงานไปด้วยฟังไปด้วยดูเหมือนรู้เรื่องจบไปแล้วถามไม่ตอบไม่ได้สักอย่างมันจะเป็นลักษณะนั้นถ้าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยทําเรื่องนั้นให้เป็นเหมือนกับไม่มีไปก่อนคือเรื่องอ่ะมีอยู่แต่ก็ทําให้เป็นเหมือนกับไม่มีปัญหาอันนั้นค้างคาวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะ เ, เพิ่งคิดต่อไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาอาศัยการเจริญกรุณาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นบาตแห่งการเจริญวิปัสสนาต่อไป หลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าครั้งนั้นท่านถ้าองค์คุลิมานหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันทร์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต้ตองการอันถ้าหากว่าพระสมัยก่อนเป้าหมายของการบวชของท่านก็คืออรหัตผล เป้าหมายของท่านคืออรหันตผลเพราะฉะนั้นท่านก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทำทมเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้ท่านพระองคุลีมานก็ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจานวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทัานเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าผู้ที่พิจารณาเรื่องอริยสัจนั้นนะ่ะคนนั้นจิตต้องไม่วิปติสารจิตจะต้องไม่เดือดร้อนใจจิตจะต้องไม่เป็นไปกับนิวรณ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งท่านส่วนใหญ่ถ้าใครที่อ่านพระสูตรไปบ่อยก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงเรื่องอริยสัจจิตของคนนั้นจะต้องปราศจากนิวรณ์ก่อนถ้าหากว่าเป็นพระภิกษุ พระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงถึงเรื่องการเจริญฌานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นฆราห์ตพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงเรื่องอนุปูพิกถาให้จิตเข้าอ่อนก่อนก็เหมือนกับการจะย้อมผ้าได้ผ้าเก่ามาผืนหนึ่งมาย้อมเลยได้ไหมย้อมเลยไม่ได้ต้องเอาไปซักสัก่อนการแสดงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงเรื่องทานเรื่องอนะเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของการเป็นต้นก็เหมือนกับการซักผ้า เมื่อจิตของเขาอ่อนควรแก่การงานแล้วพ่อองค์ก็ประกาศอริยสัจเขาฟังแล้วเขาจะได้บรรลุเพราะเขาตรึกตามได้เขาเพ่งตามได้แต่ถ้าหากว่าฟังแล้วไม่สามารถที่จะตรึกเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยจิตไม่มีอนุภาพอันกุศลจิตที่จะจะประหารกิเลสได้นั้นจะต้องเป็นกุศลจิตที่เกิดค่อนข้างต่อเนื่องมากเป็นกุศลจิตที่มีกําลังมีพลังมีอํานาจมาก ต่อเนื่องยาวนานจึงจะสามารถตรัสรู้อริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าสภาพจิตไม่ต่อเนื่องยาวนานระดับหนึ่งเนี่ยจะอาอริยสัจข้อไหนมาพิจารณาสมมติวนะ่าจะพิจารณาริยสัจเนี่ยอริยสัจก็คืออะไรรูปนามขันธ์ห้าเออเอารูปเอารูปอะไรมามาพิจารณาดีรูปคือสีพิจารณาว่ายังไงเออสีบางอย่างมีกรรมเป็นสมุทฐานเออเธอเถือนนะเป็นน้ำดำเออที่ว่า นะถ้าจิตไม่เบามันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าจิตมันเบาปั๊บนะมองเรื่องกรรมปับ๊บมันจะสังเวชใจทันทีเลยมันจะพิจารณาอย่างถึงกรรมนะมันจะพิจารณาทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมว่ากุศลกรรมเนี่ยผู้ที่มีผิวพันธุ์รูปร่างกายด้วยกุศลกรรมนั้นสีจะเป็นอย่างไรในกุศลกรรมเหล่านั้นถ้าอากุศลมาเบียดเบียนเนี่ยสีจะเป็นอย่างไร ถ้ า, ากุศลให้ผลและสีมันจะเป็นอย่างไรนีมันจะตรึกเรื่องกรรมและมันจะสังเวทใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะพิจารณาแม้แต่จิตที่พิจารณาจิตเหล่านั้นก็เป็นกรรมอีกชนิดกรรมอันนี้มีผลอย่างไรต่อไปผลนั้นน่าปรารถนาไหมมันก็จะเริ่มสายใจถึงความไม่เป็นสาระของกรรมและผลของกรรมแม้แต่ผลของกุศลเองก็น่าเบื่อหนายเจริญพรก็ ค, คือหมายความว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องมีกาลังทางใจมาก กำลังใจนี่สูงมากกาลังใจในที่นี้มีกี่อย่างถ้าพูดถึงกําลังใจเนี่ยบาลีเขาแปลว่าอะไรกําลังแปลว่าแปลไทยเป็นบาลีคืนว่าพละพละมีเท่าไหร่คนนั้นพละห้าต้องมีถ้าพูดแบบไทยๆเราก็กําลังใจต้องแรงมากกําลังใจคือศรัทธาต้องดีเยี่ยมเลยกาลังใจคือวิริยะต้องมั่นคงกําลังใจคือสติกําลังใจคือสมาธิกําลังใจคือปัญญาคนนั้นต้องมากใจต้องมีกําลังอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าใจเราไม่ค่อยมีกําลังอาศัยบุคคลภายนอกเ้าเรียกว่ากัลยาณมิตรจะช่วยเสริมให้เรามีกําลังศรัทธาเราอ่อนไปเอ๊ะทำไมวันนี้ศรัทธาในการเจริญกุศลไม่มีครับท่านพูดเรื่องอะไรพักเดียวแค่ น, นั้นเลยวันนี้เอ๊ะทาไมสงสัยในคุณพระพุทธเจ้านะเขาเอาพุทธคุณมาพูดให้เราฟังพักเดียวแค่ น, นั้นเ่ะเราเนี่ยเห็นด้วยเลยสงสัยในหมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งปั๊บเนี่ยท่านแก้ให้นิดเดียวแค่ น, นั้น คือตรงนี้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าต้องเป็นบุรุษที่ควรฝึกได้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสารทีสุดผู้ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่ได้เอาม้ากระจอมกม้ากับโผล ก, กับเพลงมาให้พระองค์นะมันจะไปทาาําอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ไม่มีกัลยาณมิตรอื่นยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคแล้ว เพราะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้แต่ในขณะเดียวกันเราเนี่ยเป็นคนที่สมควรช่วยนะพระองค์ไม่ไม่ช่วยเรียร่ยราดอ่ะไม่งั้นนี่ช่วยเราไปเรียบร้อยแล้วเจนวาเพราะคนทั่วไปต้องมีบุญอยู่แล้วพระองค์ช่วยเราได้ด้วยการเทศคําสอนฝากเอาไว้ตั้งสองพันกว่าปีนะกว่าจะถึงเราได้อ่าไปให้ตรงๆไม่รู้รับหรือเปล่าไมตอนนั้นอ่ะนะพระองค์นั้นเป็นผู้ฝึกใช่ไหมจะฝึกคนที่สมควรฝึกได้ ทั้นผู้ที่สมควรฝึกได้นั้นคนนั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นหนึ่งอุคติตันยูบุคคลสองวิปจิตตันยูบุคคลสามนัยยะบุคคลเท่านั้นแหละพระองค์จึงจะช่วยให้เขาหลุดพ้นได้ส่วนบุคคลที่เหลือฟังเอาบุญไปก่อนไม่เป็นไรยอย่าอย่าเพิ่งเสียใจยนะ <c oughs> เธออาจจะบรรลุง่ายเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆว่างั้นแต่เป็นเทพปั๊บเนี่ยโหอาจจะสังเวชใจบรรลุเร็วขึ้นอย่างเงี้ย หรือไม่ก็เทวดาเขาอาจจะมาเตือนโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ศึกษาพระธรรมเอาจริงเอาจังมาวันนี้ปล่อยใจใไปกับกิเลสแล้วเลยเขากา็จะเตือนกันอาจจะได้ดีก็ได้ <c oughs> ทีนี้ต่อไปว่าครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานุ่งแลว้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไป แม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองค์ุลิมาเปลี่ยนท่าทหารเนี่นะเดินบินธบาตเนี่ยนะเขาโยนหมากาไก่ที่ไหนของห่วงพ่อตกใส่ท่านอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพระองค์ุลิมามีศีษะแตกโลหิตเนี่ยไหลบาดก็แตกสังขติก็ฉีกขาดอุมบาตไปดีๆเอาแตกไปแล้วเหมือนกับถือแก้วไปดีๆนะแก้วแตกไปเล ย, เลยนะท่านก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองค์ุลิมา เดินมาแต่ไกลครั้นแล้วก็ได้ตรัสกับท่านพร่าองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์ทั้งทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะพระองค์ก็ยังพูดให้กำลังใจยอยู <S <S ่เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอจะพึงหมกไม่อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากคือหลายปีมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้น ไอ้กรรมที่จะหมกไหมในในรกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันให้แค่ชาตินี้เท่านั้นแหละซึ่งท่านอธิบายว่ายะสัคโขตวังบรมณกรรมัสสะวิปาเกณินี้ท่านกล่าวไม้เอาทิฏฐ ธ, ธรรมะอวยธนยกรรมที่เป็นสภาขะกันจึงอยู่กรรมที่ท่านกระทํานั่นแหละย่อมยังส่วนทั้งสามให้เต็มด้วยชวนาเจ็ดดวงชวนะ จิตดวงแรกเป็นกุศลหรืออกุศลก็ย่อมชื่อว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมกรรมนั้นย่อมให้ซึ่งวิบากในอัตภาพนี้เท่านั้นดวงที่หนึ่งเนี่ยถือว่าชาวนะดวงแรกเนี่ยมีกำลังมากเพราะชาวนะดวงที่หนึ่งจึงให้ผลในชาตินี้เท่านั้นเมื่อไม่อาจเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นอะโหสิกรรมไปทำมหากว่าไม่ให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมชาวนะจิตดวงที่เจ อันให้สำเร็จประโยชน์ชื่อว่าอุปชาเวทนิยกรรมกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพถัดไปเมื่อไม่อาจเช่นนั้นกรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นอหุสิกรรมธาตุที่เจ็ดไม่มีโอกาสให้ผลส่วนชาวนห้าดวงในระหว่างกรรมทั้งสองย่อมชื่อว่าอัป ร, ราปริยะเวทนิยกรรมกรรมนั้นย่อมได้โอกาสเมื่อใดย่อมให้ผลเมื่อนั้นในอนาคต เมื่อยังมีการเวียนว่ายอยู่ในสงสารเชื่อว่าอโหสิกรรมย่อมไม่มีถ้ายังไม่เป็นผ้าอาหารเนี่ยไม่เป็นอโหสิกรรมแน่นอนถ้าอยู่ยังอยู่ในสงสารสงสารคืออะไรคำว่าสงสารเนี่ยเป็นชื่อของอะไรลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปนะเรียกว่าสงสารเออแล้วว่าตะเป็นอย่างไร วัตตก็คือวัตตส่วนใหญ่แปลว่าวนใช่ไหมวนเวียนหรือวงกลมมีสามอย่างนะวัตต์มีสามหนึ่งกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตขณะนี้มีกรรมไหมอะไรเป็นกรรมเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยอะไรเป็นกรรมนั่งเขียนหนังสือเนี่ยอะไรเป็นกรรมเจตนาที่ทําให้เกิดจิตกรรูปในการขีดเขียนไอ้เจตนาอนั้นเรียกว่ากรมมะกรรม กรรมตัวนี้เนี่ยดวงที่หนึ่งเป็นที่ถ้าทมเวทนียกรรมขณะนี้เนอะฟังทำเนี่ยไม่แน่นะก็บอกว่าถ้าทําในวัยกลางคนก็จะให้ผลในกลางคนและปลายคนถ้าทําในช่วงปลายคนจะให้ในปลายเขาบอกว่าแต่ถ้าทําใกลอ้อ่ะใกล้ๆ ก, กับตัวใครตัวใครอาจจะยังไม่ให้ผลดวงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกรรมก็คือขณะ น, นี้แล้วกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเพื่อวิบากกรรมตัวนี้เนี่ยนะเจตนาเหล่านี้ในการขีดเขียนเนี่ย ถ้าเจตนานี้มีกําลังให้ผลเป็นทิฏฐธรรมสามารถให้ในชาตินี้ก็ได้แต่ถ้ากรรมที่ให้ผลได้ไม่เกินเจ็ดวันก็คือกรรมประเภททําบุญกับพระอารหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนี้ชวนะดวงที่หนึ่งนะทีนี้ที่ขีดเขียนเนี่ยดวงที่เจ็ดพบหน้าถ้าเขียนด้วยกุศลจิตปั๊บเจตนาเหล่านี้สามารถปฏิสนธิในสุขติและเขียนที่ไหนในสุขติภูมิเจ็ดมนุษย์กับเทวดาได้หกชั้น เจตนาในขีดเขียนที่เป็นกุศลเนี่ยนะแล้วต่อไปอีกดวงที่สองถึงดวงที่หกสามารถให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าเขามีโอกาสนะคือนับหนึ่งหนึ่งตอนนี้ใช่ไหมข้างหน้านับสองที่สามก็คือเลยไปถัดจากชาติหน้าไปอีกถ้าหากว่ายังมีขันธาตุอายตนาอยู่จะให้ผลได้แต่ถ้าหมดขันธ์าตุอายตนาแล้วก็ไม่ให้ผล อันเมื่อวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นพอวิบากเกิดขึ้นขณะนี้มีวิบากไหมได้ยินเสียงอะไรเป็นวิบากโสตหูใช่ไหมเป็นวิบาก อ, อใช้ได้หูเป็นวิบากใช่หรือเปล่าถูกไหมหูเป็นกรรมมชรูปโสตก็เป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่เรียกวิบากแต่ก็เรียกว่า ก, กตั้ตารูปหูก็เป็นผลของกรรมจิตได้ยินเสียงก็เป็นผลของกรรมเสียงนี่เป็นผลของอุตตับ จิตนั่นเองอ่เพราะฉะั้นพอวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงก็เกิดภาษาเวทนาใช่ไหมเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานกิเลสเกิดอีกแล้วอุปาทานทําให้เกิดเจตนาอีกปวนอยู่ใน น, น, นนั้นนะเพราะฉะนั้นพระองค์ุลิมาลนั้นน่ะในกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะ อุปชาเวทนียกรรมกับอปราปริยเวทนียกรรมอันอรหัตตมักตัวกระทํากรรมให้สิ้นถอนขึ้นเสร็จแล้วกรรมดําให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งเขาให้วิบากทั้งดําทั้งเขากรรมไม่ดําไม่ขาวคือเรียมมักอันประกอบด้วยองแปดเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพราะฉนั้นอรหัตตมักของพระองคุลิมานนั่นแหะตัดกรรมเรียบร้อยเลยนะไอที่ประเภทอุปชาเวทนียกรรมจะไม่ให้ผลต่อไป อปราปรียเวทนียกรรมชาติปางไหนก็จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่เขาแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะส่วนกรรมที่ท่านยังได้รับผลอยู่ก็คือบินทบาทแล้วบาดก็แตกถ้าบาดแตกเนี่ยจะถูกเนื้อบ้างไหมเนอะถึงอยู่แล้วเนาะสังขติขาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงเนื้อถึงเลือดบ้างอ่ะเนาะ <c oughs> ดีไม่ <c oughs> ดีบาด <c oughs> บาดมือซะด้วยนะ ดันัอกุศลไม่บาปท่านก็รับมากมายแต่เป็นทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมขนาดท่านทำกรรมมากมายมหาศาลแต่ท่านจะปรินิพานแล้วก็กรรมเหล่านั้นเนี่ยนะไม่มีปัญหาสำหรับท่านแต่คนทั่วไปแหละแม้แต่ค่าตัดตัวเดียวถ้ายังไม่ได้บรรลุมรคลอะไรอย่าคิดว่าเขาจะปล่อยเรานะถ้ายังถ้ายังหนีไม่พ้นอ่ะนะก็บอกว่าเหมือนกับลงไปในหนองน้ะถึงมีปลิงอยู่ตัวเดียวมันก็กัดได้ จนกว่าจะยืนบนบกนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าพราลทหารห น, นี่ก็คือขึ้นเหมือนกับเป็นพรามก็คือขึ้นฝั่งอนะ่าผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัตรก็เหมือนกับอยู่ในกระแสน้ําในกระแสน้ําซึ่งเต็มไปด้วยจรเข้ปลาร้ายทุกภัยต่างๆมากมายภัยเหล่านั้นที่อยู่ในน้ําเนี่ยจะไม่มีสําหรับคนที่อยู่บนบกผู้ที่ยังอยู่ในน้ําอยู่เนี่ยก็จะรับกรรมเหล่านั้นไปเรื่อยเผลอเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็โดนละแต่คนที่ขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยนะ ศาตร์ร้ายในน้ําทําอะไรไม่ได้สักอย่างฉลามจะร้ายขนาดไหนถ้าอยู่บนฝั่งเนี่ยสู้เราไม่ได้เลยนาะต่อไปว่าครั้งนั้นท่านท้าองคุริมานได้ไปที่ลับหลีเกรนอยู่เสววิมุตติสุขวิมุตติสุขในที่นี้หมายถึงเข้าพละสมาบัติเข้าอรหัตผลและจิตสืบเนื่องกันทีงหลายหชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสววิมุตติสุขตั้งกําหนดเลยนะเช่นชันเสร็จแปดโมงเช้าออกสิบเอดมงอย่างเงี้ย ที่เหลือนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเลยนะไม่มีผวัรขั้นด้วยที่ดูว่าท่านจะมีความสุขขนาดไหนนะแค่หลับสนิทช่ใจตื่นมาก็สดชื่นแล้วเนาะแต่ของท่านเนี่ยโหมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจิตของท่านเนี่ยจะมีความสุขมากพอออกจากพลจิตอย่างนี้แล้วก็เป่งอุทานในเวลานั้นว่าก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นคือเมื่อก่อนประมาทใช่ไหมชีวิตของคนประมาทก็เหมือนกับผู้ที่กําลังอยู่ในเมฆหมอกซึ่งมันปิดบังตลอดมันไม่สว่างสวยัยแต่ภายหลังมาไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดสำเร็จเป็นพระารหารันผู้นั้นก็สว่างสวยัยเหมือนพระจานรที่พ้นแล้วจากเมฆหมอก ซึ่งท่านอธิบายว่าก็ในที่นี้ท่านประสงค์เอาว่าพระจันทร์พ้นจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้คือหมอกน้าค้างควันธุลีและราหูภิกษุผู้พ้นแล้วจากกิเลสคือความประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมยังโลกคือขันธ์อายตนะและธาตุของตนนี้ให้ผ่องใสคือกระทําความมืดคือกิเลสอันตนขจัดเสียแล้วเหมือนอย่างพระจันทร์ไม่มีอุปกิเลสดังกล่าวมาชนี้ชื่อว่าย่อมยังโลกให้สว่างสวัยฉะนั้น คำว่าโลกในที่นี้เนี่ยทําโลกให้สว่างโลกไหนโลกแห่งขันธาตุอายตนะนั่นเองเพราะว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยที่เศร้าหมองเพราะกิเลสนั่นเองอย่างเช่นวิญญาณาขันชาวนะจิตทั้งหลายเนี่ยนะหรือผวังขจิตของของคนทั่วไปเนี่ยไม่เศร้าหมองแต่ชาวนะจิตทําไมเศร้าหมองก็บอกว่าเหล็กทําไมจึงเศร้าหมองเพราะสนิมใจของเราก็เหมือนกัน เพราะอากุศลเจตสิกนั่นแหละที่เกิดร่วมกับสภาพจิตเหล่านั้นจิตเหล่านั้นก็เป็นจิตที่เศร้าหมองถ้าหากว่าจะข้อสนิมให้ออกทําไงดีสมมุติถ้าเราเป็นนายช่างทองเนี่ยนะได้ได้ทองมาแก้วหนึ่งขนาดนี้เลยอ่าในเนี้ยโอ้โหทั้งทั้งทองแพ้ด้วยทั้งสนิมอยู่ด้วยจะทํายังไงออกทํายังไงนะต้องเข้าเบ้าใช่ไหมอาศัยความร้อนเนี่ยเข้าไป ความร้อนที่มีมากๆเข้าเนี่ยนะถ้าความร้อนได้พอดีพวกสนิมเนี่ยมันค่อยๆปัดออกไปเขาบอกว่าไม่รู้มันหมดไปได้ยังไงเนูว่าเจอความร้อนแล้วพวกนั้นหายไปเหลือแต่ทองคมที่บริสุทธิ์ดุดแท่งทองชมพูนุชชันใดประมาณอะไรคือความร้อนในศาสนานี้อาตาปีอาตาปะอาตาปะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนอันนี้มาไล่สนิมออกไปอัน อาตาปะหรือสัมมาวายามะจึงเป็นหนึ่งในมรแปดในการขจัดปัดเป่าบาปอากุศลอันตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้กิเลสร้อนองค์มรแปดจึงมีสัมมาวายามะอยู่ด้วยถ้าร้อนมากๆถึงที่สุดนะถ้าร้อนระดับหนึ่งเนี่ยยังเกิดอีกเจ็ดชาติคล้ายๆกับเรามีมาเมล็ดพันธุ์สักเม็ดหนึ่งมาใช่ไหมถ้าหาว่าความร้อนได้ระดับนี้ปลูกได้อีกเจ็ดครั้งแต่ความร้อนมากขึ้นปลูก ยังมากเกิดอีกสองครั้งถ้าความร้อนถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเปื่อยเลยปลูกไม่ขึ้นอีกแล้วสภาพจิตของผู้ที่ยังไม่หมดอกุสนไม่หมดกิเลสก็เหมือนกันถ้าความร้อนคืออริยมรรคเกิดจนถึงเผากิเลสไม่ได้นั่นก็บอกว่าไม่ต้องถามหาที่สุดนะมันจะลามไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ย เ, ยเยมเล็ดพันธุ์มันยังมีอยู่ใช่ไหมพั้งกรรมเนี่ยเปรีเหมือนกับพืชอ่ ะ, อะคำว่าปลูกพืชเช่นใดก็จะให้ผลเช่นนั้นแหละทั้งกรรมเนี่ยจึงเป็นเหมือน พืชเพาะปลูกไปเรื่อยๆเกิดในพพแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่า แ, แ, แ, แต่ก็สนุกดีนะสนุกไห ม, ไมเป็นพั ก, พกๆอะนะแต่ส่วนใหญ่จะสนุกนะแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ไม่สนุกเลยนั่งรถมานี่ขนลุกหลายครั้งแล้วมันกลัวกรรมแล้วกัวกวกวนฟังเรื่องกรรมมาแล้วใหม่รู้สึกเห็นเรื่องกรรมชัดเจนขึ้นนะะโอ้นนโหโทษของสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆคือ เราเราฟังข่าวใช่ไหมถ้าถ้าฟังข่าวฟังอะไรบ้างเนี่ยจะส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวของคนที่ทํอาอกุศลซะส่วนใหญ่อกุศลเหล่านั้นที่เขาทําทํากันเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ไหนเนาะถ้าเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเรากิเลสมันเข้าสิงเราก็ต้องทําเหมือนกับเขานั่นแหละถ้าเรากิเลสมีกําลังมันไม่ต่างกันหรอกคนยังมีกิเลสนยะสมมุติว่าคนทุกคนที่ยังยังอยู่แบบนี้นะที่เราเหงื่อไม่แตกเพราะว่าเรายังไม่เจอแดดนะยังไม่ได้ความร้อนเราเลยบอกว่าเหงื่อไม่แตก เห็นคนอื่นเขามีแผลเต็มตัวเนี่ยนะเกานึกเอ้ยเรานี่ไม่มีแผลอย่าดีใจนะเพราะเพราะอะไรเพราะเรายังมีกายอยู่ถ้ามีอะไรมากระทบเราก็ต้องมีแผลมีเลือดออกเหมือนกันถ้าคนที่มีแผลมีเลือดเจ็บไหมเจ็บแน่นอนอันคนที่ก่อกรรมทําชั่วก็เหมือนกันเขาก็ต้องเจ็บแน่นอนไม่ต้องห่วงว่ากรรมจะไม่ให้ผลไม่มีอะไรที่จะซื่อสัตย์เท่ากับเจตนาของตัวคนนั้นเองเจตนาของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ซื่อสัตย์ ซื่อสัต์เสมอต่อคนนั้นๆถ้าเขาได้ปัจจัยพร้อมเจตนาตัวนั้นจะแปลสภาพมาทันทีเลยทั้งดีและชั่วที่ดูนะบางอย่างไม่อยากเห็นก็เห็นนี่ยผีเสือ้อเบนมาให้เห็นเนี่ยจากครูวิญญาณเป็นอะไรเป็นอกุศลวิบากเนี่ยผลของอกุศลมันให้ผลทันทีเลยได้ปัจจัยพร้อมเขาให้ทันทีเลยพอมองเห็นสายใจโ ย, ยมอาจารย์ปั๊บกุศลวิบากเกิดปั๊บมันสลับกันนะวิบากเนี่ยมันให้ผลวิจิตมากมายหมหาศาล ถามาจับไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่ต้องรับวิบากเลยมีไหมไม่มีนะที่ไม่ต้องรับวิบากเลยอ่ะนอกจากพระอาหารหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นเองที่ไม่วนกับจิตชาติวิบากอันส่วนใหญ่ก็จะรับวนเวียนอยู่กับจิตชาติวิบากอยู่ตลอดอันนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะเห็นก็ชาติวิบากขณะได้ยินก็เป็นชาติวิบากหายใจเข้าได้รับกลิ่น ต, ต่างๆก็ชาติวิบากปัรับกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะ เกิดเจ็บปวดส่วนใดหรือสบายส่วนใดก็ตามนั่นก็คือจิตชาติวิบากวิบากเหล่านี้นะจิตวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรวิญญาณเนี่ยนะอาศัยวัตถุคือกายอารมณ์คือโพธพภะแต่จิตนั้นมาจากเจตนาแต่ภาชนะของเขาคือกายกับโพธพภะเป็นที่ที่เกิดขึ้นของเขาแต่ว่าเขาเป็นผลของเจตนา อันถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจไม่สำเนียกมากๆในในคําว่าวิบากและกรรมมชโรบนะถ้ากรรมสกตาเราไม่มั่นคงเนี่ยโออริยสัพเนี่ยรู้สึกจะไกลเกินคือการพิจารณาเรื่องกรรมมศกตาก็คือยาตะประิญญานั่นเนองอั้นทํำยังไงเราจะมีความรู้เรื่องกรรมเป็นอัธยาศัยของเราไปเลยเป็นทิฐิของเราไปเลยเหมือนกับเราอ่านหนังสือออกเห็นอะไรปั๊บอ่านหนังสือได้เลยใช่ไหมคนที่อ่านหนังสือออกเนี่ยเห็นอะไรก็อ่านได้หมดเลย คนที่ศึกษาเรื่องกรรมในคําสอนก็เหมือนกันเห็นอะไรต้องพิจารณาเป็นเรื่องกรรมได้แต่ไม่ถึงกับรู้ละเอียดจนเหมือนกับพระผู้มีพระภาคใช่ไหมสมมติว่าโสตวิ ญ, ญญาณได้ยินเสียงเนี่พระองค์บอกได้เลยว่ากรรมนี้ทําเมื่อไหร่ให้พ้นมากี่ระยะและ้วแต่ของเราให้รู้ว่าคําสอนกล่าวว่าจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมถ้าวิบากที่ได้รับเนี่ยเสียงที่ดีเป็นกุศ ล, ลวิบากเออแค่นี้เราก็ได้ดีพอระดับหนึ่งแล้วล่ะเชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วะ อันสำ ม, มาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรตมีองค์แปดพรหมจันทร์ก็คืออริยมรตประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองอันสำ ม, มาทิฏฐินั้นจึงมีความสําคัญมากเพียงเราตรึกเท่านั้นนะ ก, ก็ก็ชื่อว่าเป็นการตรึกที่ถูกใช่ไหมครับเจนพายถ้าสมมุติว่าถ้าเราเห็นภาพที่ไม่ดีของใครสักคนหนึ่งนี่นะเช่นเช่นพิการอย่างนั้นเช่ไหมเจนพาแล้วเราตรึกว่าผลที่เขาได้รับนั้นเนี่ยต้องมาจากเหตุไม่ดีเนี่ยนะ เพียงรูตึกเท่านี้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิคือ <c oughs> ความเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็น <c oughs> สัมมาทิฏฐิการตรึกในเรื่องกรรมมากๆเป็นสัมมาสังกปะครับเป็นทําไมองค์มรรคแปดจึงเรียงตามลําดับแบบนั้น <c oughs> ก็บอกว่าบุคคลเมื่อเห็นอย่างไรไอเห็นในที่นี้หมายถึงความเห็นนะตัว<ข>ทิฏฐิไม่ใช่จักขู่เห็นถ้าเขามีทิฏฐิอย่างใด <c oughs> เขาก็จะคิดตามนั้นอันพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาสังกปปะต่อจากสัมมาทิฏฐิ ก็จะคิดตามที่เข้าใจทิ่ทีก็คือความเข้าใจก็ได้เข้าใจวันนี้เป็นกรรมและผลของกรรมปับ๊บคิดเรื่องนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะคนเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยเข้าคิดและจะพูดปองก็เลยเรียงสัมมาวาจาต่อมาคนเมื่อพูดยังไงแล้วก็จะทําไปตามนั้นอันนั้นเป็นสัมมาตามมันต์อาศัยพื้นฐานข้างบนดีขึ้นระดับหนึ่งสัมมาอาชีพจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นปองก็เรียงสัมมาอาชีวะต่อไป ทีนี้คนที่มีสัมมาอาชีวะถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาวายามะต่อมาในความสำคัญของของความเพียรพยายามอันความเพียรพยายามไม่ได้ทำด้วยความประมาทต้องทำด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นสัมมาส ต, สติแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านแต่ที่สำคัญมากถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีสัมมาว า, าระดับหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเกิดยากนะถ้าไม่มีสัมมากรรมันตะระดับหนึ่งสั ม, มาทิฏฐิก็เกิดยากปกติเป็นคนที่พูดความชั่วในปากเนี่ยสมบูรณ์โกหกก็เต็มไปหมดเลยสอเสียดที่เรียกว่าสอเสียดคก็คือประเภทนินทาว่าไร้ายนะอันนั้นคือสอเสียดก็เต็มไปหมดเลยแล้วพูดสวาจาเนี่ยพูดใครคำด่าคำหนึ่งพูดคำตําหนิคําอ่ะพวกนี้เป็นลักษณะของวาจายาก แล้วเรื่องที่พูดไม่เกิดประโยชน์สักอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเกิดได้ง่ายไหมโอกุศลจิตเกิดแทรกยากอสัมมาทิฏฐินั้นต้องเป็นกุศลที่เป็นยานะสัมประยุทธ์อันกุศลญาณสามประยุทธ์นั้นถ้ารักษาวาจาไม่ดีระดับหนึ่งกุศลชนิดนี้เกิดไม่ได้เกิดก็เกิดยากเต็มทีเลยนะแทบจะกล่อมเหมือนกับปลูกข้าวผิดที่ผิดฤดูกาลอนะ่ะแสดงว่าเรื่องการเจริญอริยมรรคมีองแปดนี้มันเป็นการปรุงแต่ง ที่มีหลายหลายเหตุหลายปัจจัยนะเขามาช่วยกันปรุงแต่งแล้วสุดเขาจะช่วยกันด้วยนะเป็นอนนัญญามัญญปัจจัยไหมครับส่วนใหญ่การเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นประเภทปกตูปะตะกูลอุปนิสัยปัจจัยแต่ในขณะที่เขาเกิดขึ้นเป็นอนัญญะขณะนั้นนั้นเนี่ยเป็นอัญญะแก่กันแต่ในการเจริญกุศลนั้นขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่ ง, งการเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นปกตูเป็นลักษณะของปกตูปะก็เหมือนกับอย่างนี้นะพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหม ก็คนเดียวกันก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่จะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอาไงแล้ถ้าคนเดียวกันทําไมไม่เหมือนเก่าอ่ะถ้าจะว่าคนละคนทําไมไม่เปลี่ยนชื่อไปเป็นอย่างอื่นไปเลยทําไมไม่เข้าคงเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่คนเดียวกันก็ไม่ใช่แต่เป็นความสืบเนื่องกันมานั้นความสืบเนื่องกันมานั้นเองนั้นกุศลจิตที่เราเจริญนะ คนละวิธีเนี่ยต้องมีพวังขั้นก่อนแต่ว่าวิธีแรกสมมติวอาวิถีที่หนึ่งทั้งเจ็ ด, ดวงเลยนะอนุภาพเขาจะน้อยหน่อยแต่วิธีต่อมาก็จะโตขึ้นอีกนิดหนึง่งวิธีใหมอ่ อ, มอีกโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งวิธีใหม่อีกโตขึ้นเี่ยวปีนี้โตเท่านี้ปีหน้าโตขึ้นเลยระดับสติปัญญาก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าปากตจุบัปันิสยปจยัจจัย การเจริญกุศลเจริญมรรคมีองค์แปดนั้นเจริญเอาอุปนิสัยเพื่ออริยมรรคต่อไปไม่ใช่เจริญเอาผลคือไม่ใช่เจริญนานักขาค่นี ก, กระทเพื่อต้องการวิบากแต่ต้องการอุปนิสัยที่ดีมากขึ้นเรียกว่าเจริญกุศลเพื่อกุศลหรือสัมนวนพระไตรปิฎกใช้คําว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมก็เหมือนกับ เมื่อก่อนเราอาจจะคิดเรื่องกรรมน้อยไปหน่อยแต่พอมาฟังบ่อยๆเข้าเอ๊ะเอาเรื่องกรรมไปคิดมากขึ้นเขาเรียกว่าได้อุปนิสัยไปลักษณะนี้เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยแต่ต้องดูนะถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระต่อไปก็จะเกิดง่ายแต่ถ้าไม่คิดว่าเป็นสาระนะถ้าเกิดขึ้นปั๊บอุ้ยอย่ามาคิดเลยเสร็จแล้วนะต่อไปจิตมันก็เชื่อฟังเหมือนกันนะมันอุปนิสัยตัวหลังมันเข้าไปตัดชัฉวไป่ะมันก็ไม่ค่อยคิดแล้วถ้าบอกว่าความคิดบางอย่างเหมือนสลับได้อ่ะ มันสลัดจะให้คิดต่อก็ได้จะไม่ให้คิดต่อก็ได้สมมตินายงพ ก, การเนี่ยจะคิดให้มันเป็นงานไปตลอดนะถ้าดึงเออสาคัญมากนะถ้าใส่ใจสักสามสี่ครั้งนะสาคัญมากเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้นนแต่ละวนะจิตมันจะคิดเรื่องนั้นเลยแต่ถ้าคิดว่าไอ้นี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีประโยชน์เดี๋ยวพักเดียวมันเลยกคิดละคุณมูลชูลเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเบียดเบียนตนไหมบอกใช่เบียดเบียนผู้อื่นไหมใช่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่ มันก็เลิกคิดได้เหมือนกันนะว่างั้นอย่างสมมติถ้าเราเห็นคนทักคนหนึ่งนะได้จะเจเริญเมตตากับเขาเนี่ยเราเห็นถึงเขาชั่วขนาดไหนก็ตามนะเรายังมองหาส่วนดีเขาเจอเลยสมมติไรผู้หญิงด้วยกันบางคนอาจจะไม่ชอบหน้ากันแต่ว่าในตัวของคนคนนั้นมีดีอยู่ไหมที่เราไม่ชอบเพราะเรานึกส่วนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยไม่ชอบแต่ที่เราลองคิดใหม่นะคนนี้มีลูกใช่ไหมเขารักลูกเขาใช่ไหม เขาเลี้ยงดูลูกใช่ไหมเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาใช่ไหมเขามีพ่อมีแม่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาอย่างดีใช่ไหมเขาเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมเขาช่วยเหลือประเทศชาติใช่ไหมเขาไม่ไปปล้นไปฆ่าอะไรที่ไหนใช่ไหมเขามีศีลมีธรรมใช่ไหมเออแล้วเราโกรธอะไรเขาอยู่ล่ะเดี๋ยวพักเดี๋ยวก็จะเกิดเมตตาอีนะแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนยากก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆถ้ายังยินดีในโทสะก็บอกเขาหน่อยนะแนะนําจิตเขาหน่อยจิตเอ้ย แต่แกมีโทสะมากมากนะเวลาทุกข์ให้ผลต่อไปก็อย่าบ่นนะอกุศลมีให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์ก็อย่าเสียใจนะเพราะตอนนี้ก็ทําเหตุอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าเราค่อยๆแนะนําเขานะจิตบางทีมันก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละถ้าพูดกับเขาดีๆก็ยอมเหมือนกันนะก็ค่อยๆตะล่อมเา้านะเดี๋ยวก็ได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าช่างสอนย่อมดัดสอน ชาวนาย่อมไหน้ําช่างถากย่อมถากเกวียนถากไม้เพื่อทําเกวียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนพระ อ, องค์รตรัสไว้เองเลยในคาถาธรรมบทพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยคําสอนเพื่อฝึกแต่ถ้าเราศึกษาคําสอนแล้วยังเหมือนเดิมแสดง ว, ว่าเราขังหมอบต่อไปนะครับท่านพระ อ, องค์คุริมาลกล่าวต่อไปว่า ผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างหลุดพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นท่านพูดดีท่านบอกว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วก็คืออกุศลเนี่ยเกิดมากคล้ายๆกับท่านอ่ะนะย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลอกุศลเนี่ยมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นอย่าลืมนะกุศลมีเท่าไหร่ยีนะ่สิบเอ็ดดวงเนาะกุศล โดยจิตมีอยู่ยี่สิบเอ็ดดวงยี่สิบเอ็ดประเภทเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดเจตสิกสามารถประกอบได้สามสิบแปดดวงแล้วกุศลที่ปิดอกกุศลได้เป็นกุศลประเภทอรหัตตมรรคกุศลจึงจะปิดได้อันผู้ที่ปิดสามารถที่เจริญกุศลจึงถึงกับปิดได้ผู้นั้นก็ย่มอมย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พลแล้วจากเมฆหมอกแต่ว่าในบรรดาคนทํากรรมนะ ก็คือพระ อ, องค์คลิมานี่ก็ค่าเยอะรองลงมาก็คือเพชรขาศเขาแดงใครก็ได้ยินนะเพชรขาศ์ขาแดงเนี่ยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกด้วยเหลืองด้วยตาเหลืองนี่ก็เต็มทีแล้วนะเหลืองนลยมีใครกล้าสอบตาสักคนหนึ่งนะก็สมัครงานจนไม่มีใครรับอ่ะไปสมัครเป็นโจรอ่ะ ห, หน้าโจรก็บอกอรับไม่ได้ดหูหน้านะดูหัวจอดเท้าเลยบอกไอ้นี้ใจมันเกินร้อยแน่นอนคนหน้าตาสีหน้าแบบเนี้ยเขาแดงด้วย ตาเลือกเหลืองเขาแดงเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะกินนมแม่เสร็จแล้วสามารถเอาดาบตัดได้เลยใจเขาขนาดนะสามารถที่จะตัดคอพ่อแล้วดูดกินเลือดได้คนมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็สมัครเป็นโจรโจรยังไม่รับเลยอ่ะห <c oughs> ูทีนี้ทํายังไงอ่ะ <c oughs> ทีนี้ง้องประโยชน์ค่าเขาดีก็เลยไปตีสนิทลูกน้องคนสนิทของคนหน้าโจรก็เลยไปรับใช้อุปถาทุกอย่างทีนี้ลูกพี่ก็ค่อยฝากก็ได้เป็นโจรเหมือนกัน จนก๊กนี้เนี่ยปล้นมานอนแล้วจนมีข่าวหรือจนพระราชาเนี่ยสั่งจับเอาทาหารเนี่ยไปจับจับมาได้ทั้งห้าร้อยนั่นแหละพอจับมาแล้วคืนี้ก็ตัดสินทำง่ายดีอะห้าร้อยเนี่ยมันโจรที่มีชื่อเสียงมากตัดหัวมันทิ้งเออเราเอาใครไปตัดคอละคะนี้คือสมัยนั้นไม่มีเพชชฆาตใช่ไหมก็มีคนหัวสายคนหนึ่งก็บอกว่าจะไปยากอะไรถ้าใครเป็นคนตัดคอนะก็ให้คนนั้นเป็นไทยไป ใครกล้าตัดคอคนนั้นเนี่ยผลโทษนี่เอาไงดีก็ไปถามโ ห, หนาบอกโ ห, หนาบอกทำไม่ได้หรอกอยู่กินกันมาตัาง้งนานแะล้วผลที่สองสามสี่ห้าไม่มีใครทำได้ไปจนถึงไอ้คนสุดท้ายบอกอเรื่องแค่นี้เองวันเดียวนั่นะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าฉับไปขอหลุดหมดทีนี้วันหลังจับโจรได้อีกเนี่ยทำยังไงดีออเออก็ไปรีกไอ้คนเมื่อวานนี่มาตัดอีกห้าร้อยอีกแกนี่สี่วันอ่ะตัดไปสองพัน เกือบสองพันที่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตัดวัน ล, ละคนสองคนเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยนะอยู่ประมาณห้าสิบห้าปีคูณข้าไปนะ่จาจะกี่ศพดิโอ้หมากมายมหาศาลเลยนะโอ้ถ้าเป็นเราเนะาะกรรมันนั้นเนี่ย <c oughs> ทีนี้วันหนึ่งพอตอนหลังเนี่ยหมดแรงฟันไปฉับหนึ่งคอไม่ขาดเลยต้องฉับที่สองจิงคอจะหลุดสงสารโจรมันปลดมันเถอะก็เลยปลดทีนี้ในช่วงที่เป็นเพชรฆาดเนี่ยนะ ก็ไม่เคยใช้ผ้าใหม่เลยไม่เคยทานข้าวปลายาดเลยทีก็ทําไงก็สั่งภรรยาว่าเออทาข้าวปลาญาติเตรียมผ้าใหม่นะฉันจะใส่ผ้าใหม่ก็ปไปอาบน้ําระหว่างทางเห็นภาษาดิบุตรก็เลย น, น, นิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปฉันทีนี้พอจะฉันภาษาริบุตรจะแสดงธรรมให้ฟังเข้าเนี่ยเดือดร้อนใจมากเลยเราก็ทําบาปมาทาั้งเยอะแยะเลยนะยืนฟังทำไปภาษาดิบุตรท่านก็ถามนี่ที่ข่าเนี่ยข่าเองหรือว่ามีคนใช้ให้ข่า บอกมีคนใช้ให้ฆ่าเออแล้วบาปไปอยู่ที่ใครออบาปมันต้องอยู่ที่คนใช้ดิขอนึกว่าเออบาปนี้จะต้องอยู่ที่คนฝั่งอ่ะแกก็เลยสบายใจเลยนะพอสบายใจปั๊บพระสารีบุตรแสดงทำได์อนุโลมมยานฟังธทำแล้วขี้ตามทำได้อนุโลมมยาณพอได้อนุโลมมายานแล้วก็พระสารีบุตรก็จบธรรมเทตนาไปจะฆ่าตามไปส่งพระสารีบุตรระหว่างทางวัวตัวหนึ่งก็ขิดตายเกิดที่ไหนดี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 อยากให้ศัตรูที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทคือข้าหนึ่งคนเนี่ยในคนหนึ่งคนเนี่ยเขามีญาติไหมมี้นใครที่เคยมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีอะไรที่ถูกโจงองคุรีมานฆ่าไปก็ผูกเวรไว้ตลอดนะนะท่านท้าองคุรีมานก็เลยเจริญเมตตาในสัตว์ว่าเอ้ยขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด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 ปรารถนาต่อศัตรูนะถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําเจริญเมตตาอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เหมือนกันเธอปรารถนาอยากให้เขามีความเจริญงอกงามในธรรมปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญอ่ะลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของการเจริญเมตตาเราไม่ต้องบอกว่าอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอมีความสุขความเจริญอย่างนี้ก็ได้ขอให้เจริญงอกงามในพระธรรมคาสอนก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังทำให้มากๆนะสภาพจิตถ้าหวังแบบนั้นจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของเมตตาอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะ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 บัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะฝึกตนตนในที่นี้หมายถึงฝึกจิตนั่นเองฝึกจิตไม่ให้มันไหลไปกับบาปถ้าหากว่าคนที่ปล่อยให้จิตเป็นบาป ค, คนประเภทนั้นชื่อว่าคนชนิดไหนคนเกียดคร้านไม่มีฮิริโอตปะในกุศลธรรมคนที่ปล่อยให้ใจเป็นบาปคําสอนกล่าวไว้เลยว่าเป็นคนที่เกียจคร้านถึงเตือนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นคนลับ เพราะในขณะนั้นนั้นเขาหลับจากกุศลน่นะอันบัณฑิตทั้งหลายเขาฝึกตนผู้ที่เจริญวิริยะสังวรทันพวกนี้จะสังวรที่จะละบาปละอกุศลและพยายามที่จะให้กุศลละจิตเกิดขึ้นมากๆนี่เรียกว่ามีวิริยะสังวรหรือสัมมปทานสิแต่เขาบอกโอ้ปล่อยๆมันไปเถอะมันมีปัจจัยแล้วมันก็เกิดเออมันได้ปัจจัยแล้วมันก็จะตกนรกเหมือนกันไปต่ออีกคํานึง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 เมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงถอนตัญหาอันนำไปสู่ภพเสียได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่ละตัญหาเนะท่านคงได้ปฏิสนธิในอบายแน่นอน เรากระทากรรมที่ทําให้ถึงทุกคติเช่นนั้นไว้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแล้วก็คือเวลาไปเบินธบาตใช่ไหมบาตเนี่ยแตกเลยอ่ะนะแต่บัตนี้ท่านก็เป็นผู้ไม่มีหนี้เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะการบริโภคมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งเป็นพยะบริโภคบริโภคอย่างโจรขโมยสองเป็น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 ตาซึ่งความประมาทผู้ที่กุศลจิตไม่เกิดเนี่ยคนนั้นแหละเชื่อว่าคนประมาทแล้วส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นตามรักษาสติตามเจริญกุศลเหมือนคนรักษาทรัพย์ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยสา ม, มารถความยินดีในกามอย่าปล่อยจิต ให้เป็นกิเลสกรรมอย่าไปผูกพันกับวัตถุกลางอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลหไปกับกลามเหล่านั้นเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่เพ่งมีกี่อย่างเพ่งมีสองอย่างก็คือเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์ลัคนูปนิสชานกับอารัมมานูปนิสชาญเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพ่บุ์ การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดคิดถูกแล้วบรรดาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจาแนกว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดนี้เป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดธรรมะที่ว่านี้ก็คือ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 มีธรรมะเป็นที่พึ่งผู้ใดมีธรรมะเป็นสารณะผู้นั้นก็ชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะด้วยชื่อว่ามีพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามนี้แหละพระสงฆ์คือยังไงก็เหมือนพระองค์คริมาที่ท่านปฏิบัติตามคําสอนจนได้บรรลุมรรคผลนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์คริมานเนี่ยถึงโลกุตระสาระาคมพระองค์คริมานเนี่ยได้วิชาสามของเราเนี่ยถ้าได้ อย่างน้อยที่สุดมีศรัทธาในคําสอนเหล่านี้เห็นว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนที่ประเสริฐเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นคําสอนที่ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ได้ผู้ที่เลื่อมใสในคําสอนแล้วยอมรับเอาคําสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสารณะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตถ้าเราเข้าใจพระธรรมขณะนี้มากขนาดไหนเราก็เข้าใจพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดนั้นแหละ แต่ถ้าพระธรรมเหล่านี้เราเข้าใจน้อยเราก็เข้าใจพระพุทธเจ้าน้อยการถึงไตราสารณาคมของเราก็น้อยไปด้วยถ้าไตราสารณาคมเราน้อยที่ถูกชุกรรมในบุญกิริยาวัตถุสิบเราก็น้อยเมื่อที่ถิตชุ ก, กรรมเราน้อยทานกุศลเราก็เกิดน้อยศีลกุศลเป็นต้นเราก็จะเกิดน้อยด้วยกุศลส่วนอื่นๆก็จะเกิดน้อยแสดงว่ามันมีอย่างอื่นมากกันแล้วใช่ไหมถ้าพูดอย่างหนึ่งน้อยเนี่ยแสดงว่าอีกอย่างต้องมากอะไรเนาะมาก อกุศลเนี่ยนะอู้ทำมาหลายชนิดเหมือนกันนะแต่ละอย่างเนี่ยค่าปัดมันก็อาบายได้เหมือนกันนะอาทินนาทานรักตัตังแม่ต่างหลายครั้งอะ่ะให้ผลได้เพราะฉะั้นเหตุเหล่านั้นเราเราเจริญแล้วอะ่ะเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะเจตนาก็มีผลเมื่อเจตนามีผลปับ๊บแต่จะเป็นไปได้ก็คือเราทํากุศลให้มันให้ใจเนี่ยนะมั่นคงกับกุศลให้มากๆให้ใจเราเนี่ยถึงนึกถึงอกุศลเมื่อไหร่ปับ๊บถ้าคนฉลาดเขาจะเอาอุจาระมาทําปุ๋ยใช่ไหมได้ยินนะ คนที่กุศลจิตเกิดบ่อยๆปั๊บเขาจะพิจารณาอากุศลที่เคยเกิดในอดีตด้วยนั่นเป็นเพราะอาวิชาแท้ๆทาให้ทําอกุศลซึ่งไม่น่าทาก็ต้องทํานั่นคือโทษของการไม่รู้อริยสัจนั่นคือโทษของการที่ไม่มีสารณนะนั่นเป็นโทษของผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัตรอันตอนนี้เราได้เห็นโทษอันนั้นแล้วทําอย่างไรกุศลจิตจึงจะเกิดบ่อยๆขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการเจริญกุศลโดยหลายๆอย่างนะ ถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมหลายๆสูตรลหลายๆแห่งก็คื อ, คอศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะะหลายสูตรจะมีอุบายในการคิดจะทําให้ฉลาดคิดถึงอาศัยเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถที่จะปรับให้ดีได้สามารถอาศัยเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเขาก็ยังเจริญกุศลได้ยังสามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างในน้อยที่สุดเขาจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปเรื่อยเฉยโดยที่เป็นความเศร้ามอง แต่จะเป็นการสังเวชแทนแทนที่จะเป็นโทสะใช่ไหมอุท ธ, ธจักกุกุจะหรือกุกุจะเกิดขึ้นจะเป็นโทสะแต่ถ้าสังเวทใจพิจารณาเรื่องกรรมเป็นต้นเป็นกุศลก็จะแปลสภาพตรงนั้นแต่ว่ากุศลนั้นจะเป็นกุศลประเภทโอตะปะก็จะเกิดมากขึ้นโอตะปะก็จะเกิดมากขึ้นเมื่อโอตะปะเกิดมากขึ้นจะทําให้สังเวทที่ผ่านมาเนี่ยนะทําให้สมาทานในกุศลมั่นคงขึ้น ทำให้เรามั to to ่นใจในการเจริญกุศลมากขึ้นกุศลแจิตเราจะเกิดบ่อยขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์เก่าเพราะว่าเหมือนกับคนที่เคยอดอยากมาแล้วคนเหล่านั้นจะประหยัดค่อนข้างมากอาศัยเหตุการณ์ที่ผ่านมามาสอนเขาก็บอกว่าพระหรือหรือผู้ที่เจริญคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นน่ะต้องเอากุศลเป็นหลักว่ากุศลต้องเจริญขึ้นถ้าบอกว่าอยู่ที่ใดแล้วกุศลจิตเขาเรียกว่ากุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป